ให้ดูข้อความในปฏิสัมพิธามมร์ข้อ16ออกไปอีกนี่นะว่าข้อ16ข้อ17เป็นต้นเนี่ยนะเป็นหมวดธรรม ท, ที่ที่เป็นวัตถุแห่งอาทีนวานุปัสสนานะเป็นวัตถุแห่งอาทีนวายานเพราะว่าคนที่มองอาทีนวายานเนี่ยเขาพิจารณาอย่างนี้ คือแบ่งเป็นสายวัตตะกับวิวัตตะอย่างอุปาธานี่เป็นกลุ่มวัตตะอนุปาธาเป็นวิวตะก็มาแยกดูนะอย่างเอกสารประกอบหน้าสิบ้าเนี่ยจะเห็นขวาซ้ายมือเป็นวัตตะขวามือเป็นวิวตะอย่างเช่นอุปาธาเนี่ยเป็นวัตตะอนุปาธาเป็นวิวัตะอุปาธาความเกิดขึ้นเนี่ยเป็นวิปากวัตเนี่ยเป็นวัตตะคําว่าวัตตะนี่ก็เป็นอะไร ข้างล่างต่อไปก็คือมันเป็นทุกข์อ่ะนะถามว่าทำไมจึงเป็นทุกข์ล่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเพราะสิ่งเหล่านี้นับเนื่องกับทุกข์สามประการคือที่บอกว่าถ้าเป็นทุกข์อ่ะนะหมู่เทพเทวดาทั้งหลายที่เป็นทุกข์ก็เพราะเป็นวิปริณามาทุกข์เป็นสังขารทุกข์เงี้ยทุกข์เพราะไม่เที่ยงบ้างทุกข์เพราะแปรปรวนบ้างทุกข์เพราะไม่จริรังยั่งยืนนั้นความเกิดขึ้นในวัฏฏางนี้ถือว่าเป็นทุกข์ ปวัตตะความเป็นไปก็เป็นทุกข์เครื่องหมายทั้งหลายก็เป็นทุกข์ความประมวลมาเนี่ยนะกรรมที่นามาสู่พบใหม่ก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญวิปัสสนาระดับสูงเนี่ยจะมองเห็นแม้กระทั่งบุญก็ยังให้ผลเป็นทุกข์ทุกข์ในวัตตะนะไม่ใช่ผลให้ทุกขเวทนาแต่หมายถึงว่าบุญก็ยังให้ผลเป็นชราและมรณะมันก็เลยเห็นว่าบุญก็เป็นทุกข คติโนที่แม้กระทั่งในพบใดก็ชื่อว่าเป็นทุกข์คตินะคติห้าก็เป็นทุกข์นิพพติความบังเกิดในคติห้าก็เป็นทุกข์อุบัติไม่ว่าจะเกิดในคันในไข่เป็นต้นก็เป็นทุกข์ความเกิดครั้งแรกก็เป็นทุกข์หลังจากเกิดแก่ชรามาก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกก็เป็นทุกข์ความท่ำครวญก็เป็นทุกข์ ความคับเค้นใจกว่าเป็นทุกข์เพราะสภาวะเหล่านี้เป็นไปกับทุกข์ทุกข์สังขารทุกข์วิปรินามทุกข์นั่นก็ถามว่าน่าเบื่อไหมเนี่ยนะถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่น่ายินดีอะไรแต่ถ้าตรงกันข้ามนะเป็นสุขหมดเลยนะความไม่เกิดเป็นสุขความไม่เป็นไปเป็นสุขไม่มีเครื่องหมายเป็นสุขตรมที่ไม่ประมวลมาเป็นสุขไม่ปฏิสนธิเป็นสุขอาคติเป็นยังไงอาคติ ไม่มีคติห้าอนนถ้าไม่มีคติห้าเป็นสุขไม่ใช่อคติแบบฉันทาคติโทสาคตินะคนละอย่างกันอคติในที่นี้หมายถึงอไม่เกิดในนรกเป็นต้นเนี่ยเป็นสุขละนะไม่เกิดในนรกไม่เกิดในหมู่เปรตไม่เกิดเป็นเดรัจฉานทั้งหลายเป็นสุขนะแต่คนนัแปลนะชอบดูสัตว์เดรัจฉานซื้อบัตรไปดูด้วยนะไปดูสัตว์เดรัจฉาน ก็ลงทุนกันบัตรตั้งหลายสิบบาทนะยอมก็พาไปบอกท่านลงไหมบอกว่าแค่นี้ก็อาุศลนไม่บากไรช่ววันนี้พอละไมเอาละนะก็ขี่รถผ่า น, นก็พอนก็นไปดูอ บ, บายภูมิไปดูฮิปโปอย่างเงี้ยดูทำอะไรมันไม่แน่นะบอกอว่าน่ารักจัง น, เ, น, นเอเอว่าเละเดี๋ยวชาติใหม่แลครับ พวกนั้นเป็นมันว่าบรุษแต่จะหนักใจเนี่ยนะก็ถ้าไปเห็นเดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเลยมันอดชื่นชมไม่ได้นกตัวนั้นสวยอย่างนั้นนี่ถ้าจุติตอนนั้นน่จะขนาดอะไรเนี่ยนะมันก็มันไปชื่นชมกับวัตถุเหล่านั้นไปชื่นชมอบายภูมิเนี่ยนะถามว่าชมวัตถุใดนะพูดง่ายๆว่าเรามีส่วนไงเคยได้ยินคำว่ามุติตาไหมขออนุโมทนาด้วยก็ขอยินดีด้วยอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเยนเขาทําบุญเราก็คอยยินดีในบุญอย่างเงี้ยแล้ก็อันนี้แปลว่ามุทิตาหรืออนุโมทนาใช่ไหมทีนี้ถ้าไปยินดีกับหมู่เดรฉ า, านอย่างเงี้ยอะไรจะเกิดขึ้นก็เราก็ถือว่ามีส่วนที่จะเป็นเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นก็ถือว่าคติการไปเกิดณที่นั้นๆเนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่เกิดณที่นั้นๆไม่เกิดเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นก็เป็นสุขเพราั้นความไม่บังเกิดเป็นสุข ความไม่อุบัติเป็นสุขไม่เกิดเป็นสุขไม่แก่ไม่ป่วยไม่ตายไม่โศกไม่รําพันไม่คับแค้นใจเนี่ยเป็นสุขจริงๆ น, นะถ้าหมดเสียงเหล่านี้นะหมดสุขมันเหมือนกับอะไรนะภาระของของบอกว่าอินังทานังทุกขังโลเกกบอกว่าความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเป็นหนี้นะเราคิดดูนะว่ามันก็ไม่ได้มามาม า, มาผูกมามัดแบบโซ่อะไรแต่มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นเป็นทุกข์จริงๆแล้วหนี้ที่ทุกข์ก็คือหนี้ประเภทไหน เขาจะเรียกเอาคืนเนี่ยนะนี่ที่เรียกว่าถ้าไม่จ่ายไทยในวันนั้นนะปริมาณมันเพิ่มเท่านั้นเขาจะยึดวัตถุนั้นวัตถุนั้นเนี่ยนะถามว่ามันทุกทุกวันเลยนะมันมีแต่ความทุกเกิดขึ้นอย่างเดียวเลยนะฉันคนที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยนะเขาทุกจริงๆเลยยิ่งเป็นหนี้ที่เรียกว่าคนมาทวงทวงเช้าทวงเย็นด้วยนะจะทุกขนาดไหนะเขามาทวงทีแม่บ้านก็บ่นให้ทีอยงนี้นโอ้โหเดือดร้อนมากๆเลย ก็เท่าที่ฟังที่เห็นเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นท่านพวกถ้าไม่มีหนี้เหล่านี้มันจะเป็นสุขปานใดอั้นถ้าเรามองวัตตะเป็นเหมือนหนี้เนี่ยเป็นความทุกข์ความปราศจากวัตตะเป็นสุขเราจะเย็นใจขนาดไหนท่านผู้ที่เจริญวิปัสสนาระดับสูงเขาจึงเห็นว่าเห็นโทษของวัตตะเท่าใดเขาจะเป็นสุขเท่านั้นเพราะเขาใกล้จะพ้นทุกข์แล้วเนี่ยเพราะเขายิ่งเห็นโทษของวัตตะเท่าใด ที่สุดแห่งทุกข์ก็ใกล้เข้ามาเพราะทุกข์ทั้งหลายก็เกิดจากความยินดีในวัตตะเป็นมูลถ้าไม่ยินดีในวัตตะเท่าใดความเป็นสุขก็เท่ามามั้นถ้าหากว่านี้นะไม่เกิดไม่เป็นไปไม่มีเครื่องหมายานะไม่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ป่วยไม่ตายไม่โสกกะปริเทวะทุกขโทมาัะอุปายาสนี่ยสุขเพียงนั้นแต่อย่าลืมว่าวัตถุที่เราเนี้เบื้องหลังของสิ่งนี้คืออะไรที่พูดถึงเนี่ยคือขันธ์ห้าหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจ หรือธรรมะสองร้อยหนึ่งที่เป็นโลกิยะทั้งหมดนะเอามาเรียงชื่ออีกชื่อใหม่อันนตั้งอีกชื่อหนึ่งอันก็ถ้ามาแบ่งดูนะอุ ป, ปาธาเป็นทุกข์ความอันนะความไม่เกิดความเกิดเป็นทุกข์ความไม่เกิดเป็นสุขความเป็นตายเป็นทุกข์ความไม่เป็นตายเป็นสุขเ <ๆๆ S 2> นี่ยนะพวกเนี้ยต้องเอามาชั่งบ่อยๆอเรียกว่าอาทินวญาณกับสันติบทญาณญาณที่พิจารณาเห็นโทษเรียกว่า อาทีนวยานเห็นตรงกันข้ามที่สงบจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีโทษเป็นสันติบทยาณเหมือนอย่างว่าเห็นไข้มันขึ้นถ้าลดไข้ได้นี่ถือว่าเป็นสุขใช่ไหมปวดหัวถ้าไม่ปวดนี่เป็นเป็นสุขวตถะถ้ามีวตะเป็นทุกข์ถ้าไม่มีต้องเป็นสุขก็เป็นคนที่ช่างในลักษณะเนี้ยบ่อยๆบ่อยๆก็จะเริ่มเห็นคุณของจักขุเป็นทุกข์จักขุนิโรธเป็นสุขลองมาช่างแบบนี้ดูนะโสตเป็นทุกข์ โสตานิโรธเป็นสุขคานะเป็นทุกข์ขานานิโรธเป็นสุขเงี้ยนะชิวหาเป็นทุกข์ชิวหานิโรธเป็นสุขกายเป็นทุกข์กายานิโรธเป็นสุขมโนเป็นทุกข์มโนนิโรธเป็นสุขงี้ยนะก็จะเริ่มช่างสองส่วนรูปเป็นทุกข์ความดับรูปเป็นสุขเวทนาเป็นทุกข์ความดับเวทนาเป็นสุขสัญญาเป็นทุกข์ความดับสัญญาเป็นสุขงี้ยนะ สังขารเป็นทุกข์ความดับสังขารเป็นสุขวิญญาณเป็นทุกข์ความดับวิญญาณเป็นสุขเริ่มมาชั่งระวังสังคตะกับอสังคตะระหว่างวัตตะกับวิวัตะมองเห็นเลย ว, วิวัตตะเนี่ยมีภัยโดยประการทั้งปวงวิวัตะปลอดภัยโดยประการทั้งปวงเริ่มเห็นว่าโอ้พวกนี้เป็นภัยทั้งนั้นแหละทำไมมันจึงเป็นภัยก็เพราะ until, มันเป็นทุกข์นะนะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นย่อมนํามาซึ่งความน่ากลัวอยู่แล้ว ก็จริงนะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นมันน่ากลัวจริงๆอย่างที่หลายๆคนกลัวนี่ถามว่าทําไมจึงกลัวชาติหน้าทําไมจึงกลัวเกิดในภพใหม่ทําไมจึงกลัวเกิดในนรกทําไมจึงกลัวเกิดเป็นเดราัชานทําไมจึงกลัวเกิดในในมนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะทําไมเราจรึงกลัวก็เพราะว่าพวกนี้มันมีภัยภัยของเขาคืออะไร ชาติภัยชราภัพยพญาที่ภัยมรณะภัยโสกราตริเตวะทุกขโทมรณะอุปายาภัยแม้กระทั่งโรคภัยเนี่ยนะนะค้อเรียกว่ามันเป็นกันดานอย่างหนึง่งกันดาร น, นี่แปลว่าถิ่นธุระกันดานก็คือถิ่นที่มันแรงแค้นมากะนะแรงแค้นด้วยเช่นด้วยน้ําหาน้ําดื่มยากไปพิขะกันดานหาอาหารยากโจรกันดาน โจรชุมเนี่ยนะถูกกล้นหมดอนะเนะ่เหมือนอย่างว่ารถนีไรนะว่าไงเนี่นคือโจรกันนานหมายความว่าเดือดร้อนเพราะโจรนหมไม่ใช่หาโจรยากนะโ <c oughs> จร ก, กันดารเนี่ยไม่ได้ปแปล ว, ว่าโจรหายาหางนี่นะมันเหมือนอย่างว่าเคยนีน่ไหมรถบางแห่งเนี่ยนะถ้าจอดเสียเนี่ย้ายหมดเลย ของในรถหายหมดล้อเนี่ยหายหมดนะนี่เหมือนอย่างว่าประสบอุบัติเหตุบางแห่งเนี่ยนะฟื้นขึ้นมาของหายหมดแล้วนะมันลักษณะนั้นเนี่ยนะว่าถิ่นกันดาร น, นี่ยมันเป็นแบบนั้นพร้อมที่จะหายทุกอย่างอันตรธานหมดเลยแม้กระทั่งเสื้อผ้าของของอะไรผู้ประสบอุบัติเหตุดังหายเนี่ยนะมันมันมันขนาดนั้นเนี่ยพวก น, นี้เรียกว่าโจรกันดารพวกข้าวของเครื่องใช้วางไม่แคบเดียวหายเลยไนงะ อนนี้เรียกว่าความกันดานเรีกว่าโจนกันดานเครื่องกันเดือดร้อนเพราะโจรอย่างนีกับอามนุษย์กันดานก็ผีเยอะนะผีดุมากกนะไรนั่นพวกนี้ก็เรียกว่าอามนุษย์กันดานกับพวกกันดานด้วยเสือด้วยช้างด้วยงูที่งูชุกชมุมที่เสือชุกชมุมที่ช้างชุกชุมสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยนะั่นแหละเรียกว่ากันดานวัดต่างหลายเนี่ยกันดานแบบนั้นจริงๆ ี่มันมันนํามาซึ่งความเดือดร้อนแล้วก็เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะโรคภัยสารพัดโรคเนี่ยตามมาบานไปหมดทั้พวกนี้เลยเรียกว่าเป็นภัยเพราะมันน่ากลัวรอบด้านไปหมดเลยเนี่ยคิดดูนะเราอยู่บนท้องถนนถามว่าน่าที่นั่นอันตรายหรือปลอดภัยอ่ะเขาจึงเล่าว่าประเทศไทยเนี่ยประเทศที่คนตายเท่ากับสงครามเพราะอุบัติเหตุครับ สงครามต่ออบัติเหตุนะสภาพศพเหมือนกันหรือต่างกันไม่ต่างกันนะพวกแขนหักขาหักพวกลําไส้ทะลักออกมาพวกพิการคอขาดขาหลุดเป็นต้นเนี่ยนะสมองกระจายเนี่ยนะเหมือนสงครามไปเลยนะเรียกว่าตายพอพกับทาสงครามเหมือนกันเนี่ยคือประเทศเราเนี่ยแล้วก็นี่ดีนะคมเมนเนี่ยของมานี่กลัวจริงเลยบางแห่งนะบางแห่งเนี่ยมอเตอร์ไซค์เน่ยโอ้โหมันดิบเนี่ยก็อันะี ล้มคันเดียวนะมันจะพาพวกล้มระเนระนาตตามไปนะพ่านพวกที่ที่มันกันดาลแห้งแรงเนี่ยลักษณะนั้นไม่ว่าเนี่ยนะหลายๆแห่งบางบางแห่งเนี่ยเขามีข้าวกินเนี่ยเขาถือว่ามันมันมีความสุขแลยนะเขาอาหารของเขาเนี่ยเขาใช้เผือกใช้มันอย่างหน้าผนเนี่ยเขาเขาไปขุดเผือกขุดมันมากินกัน เมื่อก่อนเนี่ยของมนันอึกตอนนี้นึกว่าไม่มีบอกว่ายังมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่ยังกินเผือกกินมันอยู่เนี่ยนะกินเผือกอข้าวหงข้าวผสมกับมันเนี่ยไปขุดมันป่า ม, มาแล้วก็ผสมกับข้าวก็กินประทางชีวิตมันก็อาหารเขายังธุระกันดานเนี่ยมีไม่ใช่น้อยเนี่ยนะยั ง, ยงมีอยู่นันถ้าหากว่าผลแห่งมัชฉริยะมันให้ผลก็เราก็พร้อมที่จะไปเป็น ทายาทของบุคคลเหล่านั้นได้หมดเลยนะไปหมู่บ้านบางนะแห่งที่เคยไปเคยไปเนี่ยเดือดร้อนจริงๆเขาก็เดือดร้อนมากๆเลยแม้กระทั่งว่าเฮ้ย hey, พรุ่งนี้จะกรอกหม้อได้ยังไงมีอะไรจะมากรอกหม้อนี่นะก็ไปหายืมหาหยิบคู่ไปแต่ว่าอย่างนี้แม้กระทั่งในกรุงเทพก็ไม่ใช่น้อยนะพูดไปเนี่ยว่าต่างจังหวัดนี่มันน่ากลัวแต่ว่าประชากรในกรุงเทพที่พวกประโยชข้าวบิบัติเห็นนะมีเงินซื้อเหล้าอ่ะ ทำงานมีเงินซื้อเหล้ากินแต่ว่าไม่มีซื้อข้าวสารเลยนะพวกนี้ก็เดือดร้อนก็ไม่ใช่น้อยเล่นการพนันเสียหายกันหมดเนี่ยนะก็มีไม่ใช่น้อยเพราะเป็นอันนี้เป็นผลของความผิดพระทางพฤติกรรมเนี่ยนะแต่บางคนนี่ก็จนจริงๆเลยนะเกิดมามันก็ไม่มีจริงๆเลยอย่างพื้นที่บางแห่งมันไม่มีที่เพาะปลูกอย่างที่อะไรนะทางทางภาคเหนือเขามีอำเภอหนึ่งอำเภออะไรว ก, กว่าอมก๋อยอมก๋อยเนี่ยแปลว่าอมกลอย อมไก่ก็คืออมกลอยนะคือสมัยก่อนเขาถือว่าถิ่นธุรกันดารมากๆเลยนะแต่สมัยนี้ก็ยังถือว่าเป็นถิ่นธุรกันดารนะคสมมติว่าใครจะไปราบราชการอยู่ที่นั่นนะอุ้ยต้องขอร้องกันให้เสียสละกันมากๆจะไปอยู่ณถิ่นนั้นๆเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นถิ่นธุรกันดารยังก็ถึงขนาดอมกลอยแล้วก็แสดงว่าหนักมากนะคืออกกลอยเนี่ยถ้าใครทําไม่เป็นเนี่ยมันเป็นลูกที่มันคันอ่ะมันก็ต้องไปแช่น้ำสองสามวันนะจึงจะเอามาเนื้อเอามาอะไรแล้วก็พอจะกินได้ ถ้าทำไม่เป็นก็เมาด้วยโรกหัวมันก็เหมือนกับหัวบุกเนี่ยน